งานบูชาคุณหลวงพ่อเขียนก็เพิ่งจบไปได้ไม่ถึงสองวันมีบางด้านของหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยที่โยมก็ไม่รู้เพราะว่าคิดว่ามันคงไม่มีใครเล่าก็คือเรื่องสวดมนต์อย่างตัวผู้พูดเนี่ยจะผูกพานกับหลวงพ่อคำเขียนเรื่องสวดมนต์ที่ายาหินโค้งเนี่ยธรรมจักรธรรมจักรที่เราเห็นอยู่เนี่ยตอนที่เปิดใหม่เนี่ยหลวงพ่อเขียนก็ให้อธิมาเนี่ยรับผิดชอบนําสวดมนต์ธรรมจักรร้อยจบ ใช้เวลากี่วันก็ได้โอ้ช่วงนั้นอนาตมาระวางแผนนั่นแหละเพราะาธรรมจักเนี่ยวัดเราไม่ค่อยได้สวดเท่าไหร่หรอกก็มีอาตมาคนบุกเบิกเพราะว่าเป็นบทที่เสี่ยงและยาวไงเมื่อก่อนพระในวัดจะไม่กล้าสวดกันอาตมาก็เสี่ยงสวดจนตอนหลังก็ลงตัวไงเรื่องเวลาแลว้วเวลาแล้วเรื่องจังหวะอะไรพว ก, นรรกนะนนนเนี้ยธรรมจักแปลนั่นหนังสือสวดมนต์เนี่ยอาตมาคนบุกเบิกยุคนั้นไม่ใช่กล้าสวดแล้วก็บทอีกบทหนึ่งก็คือธรมรมะป่าหังก็ไม่มีใครกล้าสวดเพราะว่าเสี่ยงมากเลยเพราะว่า ตรงหัวหัวนําอ่ะยาวแล้วก็เป็นบาลียากซึ่งคนที่นําเนี่ยมีสิิผิดพลาดตรงหัวมากเลยเป็นเรื่องที่เสี่ยงแล้วมีจังหวะเบรกหัวทิ่มเลยแหละบางจังหวะมีหลายเรื่องที่เราทำก็ประสมสาเร็จจนคนอื่นตอนหลังก็สวดกันไหลลื่นเลยเมื่อเจอนาตาธรรมจกักหรือธรรมประหงังว่าเราก็กล้าสวดกันละเพราะว่าลงตัวไงผ ม, มาก็ต้องไปฟังจากแผ่นน่ะแผ่นซีดีสมัยก่อนสมัยนั้น มือถือหรือเทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็น่าพอสมควรนะ่ะยุคนั้นอนะสมัยที่อาจารย์ตรงหมิงอาจารย์ตุ้มอาจารย์โนยังอยู่สุกโตอะเปิดธรรมจักรภาภาในนี้ก็อาจจะมีส่วนใหญ่จะไม่ทันนะจะมีทันก็กนาอาจารย์วัลชัยกัลมาจะทันช่วงนั้นอาจารยาไปซ้อมเลยเพราะว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าสวดธรรมจักรบาลีเนี่ยมันยาวแล้วมันต้องมีเกี่ยวกับเทวดาโพ ม, มียี่สิบชั้นแล้วถ้าเราเป็นคนนำเนี่ยเสียงไม่ดี หรือไม่หลายลื่นคนอื่นก็สวดลำบากไงเราต้องทําการบ้านไปซ้อมจนมั่นใจแล้วก็เริ่มนําบางทีก็นําได้เก้าจบคนสวดก็หมดแรงแล้วเพราะทําจากมันยาวไงหลังฉันเช้าเสร็จก็ไปสวดกันอพอสวดได้เก้าจบก็เลิกวันไหนพร้อมก็ไปสวดกันใหม่บางครั้งก็มาสวดที่หอใจหลังจะกทำบ้าเสร็จแล้วก็มีจนครบร้อยจบอะตามที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเขียนี่ยเป็นคนที่สวดบนเก่งนะพวกโยมกับพระ อาจจะไม่เคยฟังหลวงพ่อสวดสมัยก่อนหลวงพ่อนำสวดมนต์ทวัดเองเนี่ยหลวงพ่อสวดคล้องไม่มีการดูังสือเลยแล้วไม่ใช่แค่ท ว, วัดเช้าทวัดเย็นนะแม้แต่บทพิเศษบทเกี่ยวกับงานมงคลงานศพหลวงพ่อเป็นหบด ท, ทุกบทะตหลังหลวงพ่อหูค่อยดีเวลาท่านนำสวดมนต์นะถ้าไปคนเดียวเลยพระท่านาสวดเร็วคนอยู่ตามไม่ทานหรอกก็เลยเป็นศิลปินเดียวอย่างอาตมาเนี่ยมาทานยุคหลวงพ่อนําสวดมนต์แล้วเคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อชอบบทไหนเป็นพิเศษหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่าชอบบท ติลคณาเพราะติลคณาเนี่ยเป็นบทที่หลวงพ่อชอบมันจะมีแบบสัพเพสังฆาลาอริจารุขขาติยธ า, าปัญญาญาปัสติเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารนั่งปวงไม่เที่ยงอธานิพินทาติทุเขเอสามมคโววิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ดะหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพานเป็นธรรมบทจด สัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งพวงเป็นทุกข์อถานิพพินทาติทุเขเอสามโกวิสุตติยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละไปทางพัทธิพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพธรรมานตาติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนตาอธานิพพินทิติทุเขเอสามโกวิสุตติยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ต ซึ่งบทเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นบทที่สําคัญบทหนึ่งเลยละ่ะเชีย้ยเห็นสังขารเนี่ยมปนของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเบื่อมันเบื่อหน่ายนะเราก็ไปนิพพานได้เบื่อหน่ายแล้วก็สังขารเป็นทุกข์ถ้าเบื่อหน่ายก็ไปนิพพานได้เหมือนกันแล้วทำต้องปวดเนื้อเป็นรัตตาไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนยึดมัน่นถือมันไม่ได้ถ้าเบื่อหน่ายก็ไปนิพพานบทนี้หลวงพอ่อเขียนชอบแล้วก็อีกบทหนึง่ง คือบทปฐมพุทธภาษิตคือบทนี้เป็นบทที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียงก็ชอบนะเพราะเรารู้จักเจ้าเสือแล้วเจ้าจะทําเรือให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่เนี่ยพระองค์ก็ไล่ปฏิจจสมุปบาทนะจนโคตต้นต่อสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดก็มาลงมาที่อวิชาไงพอรู้จักวิชาก็เรารู้จักเจ้าเสือแล้วเจ้าจะทําเรือให้เราไม่ได้อีกต่อไปอันนี้เป็นบทที่หลวงพ่อชอบ มำปะาหางหลวงพ่อก็ชอบแล้วก็บทประชิมผู้โทรว่าเนี่ยหลวงพ่อก็ชอบหลวงพ่อชอบอยู่ประมาณเนี้ยอันมาเคยนําพาหุูตอนเย็นหลวงพ่อดูเลยหลวงพ่อบอกใครจะมาสวดรัวพราหูตอนเย็นแต่คนอื่นสวดหลวงพ่อไม่ดูนะแต่อันมาสวดแล้วหลวงพ่อดูหลวงพ่อก็หลวงพ่อชอบดวชอันมาบ่อยตอนที่เมื่อก่อนอันมาเป็นเป็นคู่สวดตอนนั้นสวดกับอาจารย์จอยมั้งอาจารย์ตรงเนีอยู่วันนี้อยู่เลยตอนนั้น โดยอาจารย์จ่อยเป็นกรรมอาจารย์มาเป็นรุ้ษาเนี่ยเราก็เราก็เขียนบทสวดมนต์ไว้บทที่จะบวทนาไว้อะที่กระดาษเล่มหนึงกลางอ่านแต่ตัวมาก็หัดเกือบได้นะแบบค้าบุคคาบอกไม่กล้าไม่กล้าทิ้งหนังสือไะหลวงพ่อมเขียนเห็นว่าประมาณน่ยสวดได้นานพอสมควรแนละ้วน่าจะได้ถ้าก็ดึงหนังสือจากมือเดิมาเลยนะสาาเราตกใจเหมือนกัน คือหลวงพ่อไม่ให้ไม่ให้กลางหนังสือบวชนาคเนี่ยแล้วตั้งแต่วัานนั้นเป็นต้นมาเราก็สวดปากเปล่าออได้พอหลวงพ่อไม่อนาคให้กลางหนังสือก็เลยสวดเป็นเพราะหลวงพ่อนี่ยแหละอันนี้เป็นบอุบายของหลวงพอ่อเขียนนะเรื่องสวดมนต์ท่านเป็นคนชอบสวดมนต์แล้วก็อยากให้ลูกศิษย์จะสวดมนต์เป็นไม่ให้กลางหนังสือเท่าไหร่อันนี้คือบางแง่บางด้านของหลวงพอ่อเขียนที่เราพูดถึงผู้หลงผู้หลงอนามาก็เคยไปจํากับภาษากับอาจารย์ไพศาลที่นู่นนะ่ะ การทวัตเช้าเย็นจะแตกต่างกับที่นี่มากเลยเพราะที่นู่นทําวัดแบบเป็นธรรมชาติโดยพระอาจารย์ไพศารจะนําสวดบนเองวันไหนที่ท่านอยากพุทธมรเรื่องไหนท่านจะเกินหัวบทนั้นแหละอาจารย์ไพศารไม่เคยตัดนะทะวัตเช้าเย็นท่านจะไม่ตัดท่านสวดเต็มบทอะตอนเย็นก็เต็มบทตอนเช้าก็เต็มบทแล้วที่นู่นใช้แสงเทียนเป็นศูนย์กลางเลย พระที่นู่นจะไม่ค่อ ย, อยมีใครกล้าเปิดหนังสือดูเท่าไหร่แสงมันน้อยแล้วก็อ่านลําบากไงเพราะสวดบนธรรมชาติปากเปล่าไม่ใช้ใม่มาพระที่บูหลงจึงเข้องกระตือล้นฝึกให้สวนมนต์ให้ตัวเองให้ได้เพราะอาจารย์ก็นเน้นให้สวดปากเปล่าให้ได้พระบูหลงที่สวนมนต์โดยล้วนเนี่ยจะเก่งหรือว่าปาสุกโตตรงที่ว่าธรรวชเช้าเย็นแปรเนี่ยจะสวดปากเป่าได้หลายบทเลยอย่างสุกโตนี่ยังเต็มด้วยแสงไฟมีหนังสือ พอมีหนังสือคนก็เอ้ยมันง่ายดีไม่ต้องไปหัดก็เลยไม่เป็นบางคนสวดปาหูงดิบิโศก็ไม่ได้เลยบางทีบวชเปสีป่สิบปีเพราะว่าความจูงใจไม่มีไงมันง่ายอ่ะอากางสือ่อแต่ถ้าสารที่ที่มันยากเนี่ยมันต้องเป็นน่ยสานการบีบประคับเนี่ยก็ ส, สวดได้พอสวดเป็นปุ๊บก็เลยสบายกับคนมากลางสื่อสวดอย่างพระใหม่ที่วัชชุมประทานเนี่ยก่อนจะบวชเข้าบรรษาเนี่ยหลวงพ่อปัญญาท่านจะให้ ให้สวดบนแปลเนี่ยยี่ิบหน้าทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยให้ได้ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้บวชเข้าบรรษาถ้าไม่ผ่านด่านนี้ก็จะบวชไม่ได้พอผ่านด่านนี้ไปก็ไปเจอด่านสองคือเขามีการเอาพระมาสอบนะให้เวลารู้สึกว่ายี่สิบหน้าให้เวลายี่สิบวันมั้งหน้าละวันแต่ส่วนใหญ่ก็สอบได้หลังจากนั้นก็ให้มาสอบขานน้าท่านก็จะให้กระดาษไปแหละแล้วก็ไปหัด อีกอาทิตย์หนึ่งว่างแล้วก็มาสอบอีกต่างกับวัดป่าสุกโตถึ่งสบายบทเลยมีคนจัดให้วนเลยพัที่หน้าก็เลยสวมดมนต์เอ้ยหน้าก็ขานหน้าก็เลยเป็นนะครูสวดบอกบทไงซึ่งต่างกับวัดที่เขาค่อนคางเน้นเน้นให้เป็นเวลาเรามาทําวัดสวดมนต์เนี่ยถ้าเราพิจารณาตามเนี่ยเราจะได้ข้อคิดดีๆจากบทสวดมนต์อย่างธรรมะเช้าธรรมช้ามิบทเป็นบทที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่อิทัดตะถาคตโตขึ้นไปเนี่ย จะควบคุมความทุกข์ทั้งหมดเลยทุกสาเหตุทำทาให้ทุกข์แล้วการปล่อยวางคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความพัดภ่าจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์แล้วก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์ก็มาไล่ที่ขันห้ารูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปเฉยรูปนานเฉยๆนะ่ะไม่ทุกนะแต่มันจะทุกขึ้นมาตอนที่ตรงที่มีอุปทานไงอุปทานยึดมั่นในรูปอุปทานยึดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพอมีอุปทานยึดเนี่ยก็มีความเป็นตัวตนขึ้นมาพอยึดก็กูเป็นนู่นกูเป็นนี่ไงมีเรื่องได้เรื่องเสียเข้ามาอันนี้แหละคือสาเหตุทําให้ทุกข์อุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้คือคือใจความสําคัญเลยของบทสวดมนต์ธรรมะเช้าเนี่ยถ้าเรา ละอุปทานหรือไม่ยึดมาถือมั่นได้เนี่ยความทุกข์เราก็ลดลงทันบททธรรมะเช้าจึงเป็นบทที่ครบเครื่องนะระบทส่วนบนที่ตัวมาชอบอ่ะเมื่อกี้พูดถึงหลวงพอ่อเขียนชอบแล้วอ่านมาทบทที่ชอบเนี่ยจะชอบบทธีรคณาอ่านมาก็ชอบระบบเนี่ยอ่นมาก็สวดส่งอาจารย์ออสอาจารย์วชยัชชัยประจําเพราะว่าอาจารย์วัชัยเนี่ยถ้าเป็นหลวงพอ่อหน้าตาเขาชอบพระณตาพิชิตใจ เสด็จอาจารย์อ๋อว่าบางทีอัตมาก็นำบทนี้ส่งบทนี้บ้างหรือไม่บางทีก็ปัญหาพุทธภาษตเพราะท่านชอบพูดเรื่องตัวรู้ไงเรารู้จักเจ้าเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่ออ๋อต่อหลังก็อัตมาก็ตั้งฉายาไว้ว่าหลวงพ่อเห็นรู้เมื่อก่อนท่านเป็นหลวงพ่อจิตผ่องหลวงพ่อจิตสื่นถ้ามีฉายาเปลี่ยนไปตามตามเวลาท่านหลวงพ่อเห็นรู้เนี่ยเห็นทั้งนอกเห็นทั้งในก็เป็นเรื่องดีอีกบทหนึ่งที่ ที่ชอบส่วนให้ท่านก็คือบทอนี่ธรรมนิยามเพราะธรรมนิยามเนี่ยเป็นบทที่ดีบทหนึ่งไม่ว่าพระพุทธเจา้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่ดั้งเดิมแล้วคือพระพุทธเจา้าค้นพบไงแล้วก็หงายหายเปิดเผยเรารู้ไงซึ่งบทเนี้อระมาก็ชอบสวดส่งให้แต่ตัวตระมาสวดมนต์ตระมาจะไม่ค่อยชอบสวด เยอะแยะนะเพราะจะเน้นเป็นจุดเพราะว่าถ้าเยอะไปเนี่ยมัณฑิยสับสนคือจะเน้นทุกครั้งที่สวดนนจะมีบทที่เจาะจงแล้วก็เด่นชัดจะไม่เอาสเปสเปสปะเยอะแยะมากมายโมโหลานอย่างส่งให้คนรู้คนนี้บวชที่ผู้ธรรมะก็อีกเรื่องหนึง่งบทที่ชอบอีกก็มีบทอภินิหารปจเวกอภินหาจเวกแล้วก็บทพัะเทกรัส่ามาชอบ ที่สวดบ่อยอีกบ่นก็คือบทปัะชิมบทปัจชิมบทประชิมเนี่ยเป็นบทที่สําคัญหลวงพ่อเขียนชอบเลยเพราะว่าชี้เราเห็นความไม่ประมาทว่าถือเป็นคำสั่งของพระธองค์ท้งสุดท้ายไงก่อนบรรลุนิพพานเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะคนเราีิประมาทประมาท ในที่นี้ก็หมายถึงประมาทในชีวิตนะเพราะคนเราจะมีความหลงอยู่คือมีมีสัญญาวิป ร, ราพไงวิป ร, ราสี่คือเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นของไม่งามว่าเป็นของงามอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมองอยู่ต่อให้มีปัญญารู้ธรรมะก็ยังสัญญาวิป ร, ราชอยู่ คือไม่เห็นตาภาพเป็นจริงไนงะอย่างคนทั่วไปบางทีไอ้ข้อเห็นความไม่เที่ยงเนะี่ยมันก็ธรรมดาจะได้เห็นเห็นความสุขไอความทุกข์เป็นความสุขนี่แหละคนส่วนใหญ่ก็เห็นไงนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์โดยคิดว่าความทุกข์เป็นความสุขอย่างเช่นไปเล่นไพ่เล่นการพา น, านันเล่นเกมเอาไปมุกต่างๆที่ตัวเองเสพอยู่เนะี่ยกินเหล้าดูบุหรี่เสพยาเสพติดเนะี่ย เราคิว่าเป็นความสุขแต่จริงไม่ใช่มาคนเล่นไพ่เป็นอนุวันเล่นหมากลุกเป็นอนุวันเดินรอบโต๊ะบิลเลียดโต๊ะสุลูกเกอร์เนี่ยบางทีอุวันหนึงหลายสิบกิโลนะถ้านับระยะทางเดินแล้วก็เดินไปก็เดินมาคนนี้ไม่ค่อยพักผ่อนคืออยู่กับความทุกข์แต่เขามองเป็นความสุขก็มนีนิทานบวมมาบวมไปเรื่องเทวดากําหนองเนี่ยจะลงได้ทุกเรื่องเลย คือเทวดาเนี่ยเมื่อครั้งมีชีวิตยอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งแต่เพื่อนเนี่ยเป็นคนที่ติดอายมุกก็ทําทําไม่ค่อยดีไงส่วนตัวเทวดาเนี่ยเป็นคนใจบูสุษทางเขาแวะเขาวา่าตายไปก็มาเกิดเป็นเทวดาไงมันนึงก็คิดถึงเพื่อนขึ้นมาเอ๊ะเพื่อนเราไปอยู่ที่ไหนก็ตรวจสอบดูก็รู้ว่าเพื่อนเนี่ยไปเกิดเป็นหนอน อยู่ที่ส้วโบราณแห่งหนึ่งด้วยความสงสารเพื่อนจึงใช้ลิทเนี่ยไปปรากฏกายที่หลุมส้วมแล้วก็ใช้ลิทอีกแลแหละให้เจ้าหนอนตัวนั้นน่ะที่เคยเป็นเพื่อนกันน่ะจําตัวเองได้แล้วก็จะได้พูดกันรู้เรื่องเทวดาก็ทักเลยเพื่อนจําเราได้ไหมหนอนก็จําได้แล้วถามว่าจะไปไหนก็บอกมาหาแกนี่แหละเห็นแกล่ลาบาก ว่าจะชวนไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันหนอนก็ทำสีหน้าแปลกๆบนสวรรค์ของแกดียังไงถึงจะมาชวนข้าไปเทวดาก็เอ่ยขึ้นว่าบนสวรรค์ของข้าเนี่ยอะไรก็เป็นทิพย์หมดเลยแค่นึกทุกสิ่งทุกอย่างก็มานึกถึงอาหารอาหารก็มานึกถึงนางฟ้านางฟ้าก็มาอะไรเป็นทิพย์หมดเจ้าหนอนฟังแทนที่จะชอบพอใจกับเอ่ยขึ้นว่าโอ้เองนี่เล่าของศาลนะ ต้องใช้นึกของข้าสบายของเองอีกของข้าเนี่ยมีหลอนโจมเมียที่สวยเยอะแยะเลยคอยปนเปืเป้อข้าแถมเวลากินก็ไม่ต้องนึกก็ยังมีคนมาส่งให้ถึงที่แถวนี้ยเีังพอมีที่ว่างอิงมาอยู่ด้วยกันลับข้าไหมเทวดาใส่หัวปวดไม่ขึ้นเปอเอีกอยู่ก็เองตาสบายเถอะข้ากลับละแล้วก็ทางใครทางมัน เทวดาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงคนธรมธรมะโมแหละคนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจนจน จ, นจิตรวมเกิดความสงบเยือกเย็นส่วนอนก็คือคนที่ติดอวัยมุกจนงอหัวไม่ขึ้นเป็นท่าของกิเลสคือเทวดาก็คือคนปฏิบัติธรรมมันก็มาชี้เพื่อนให้ออกมามาปฏิบัติธรรมด้วยการว่ามีความสุขที่ปานนี้ดีกว่านะ คือเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าไงแต่หนอนมันก็ไม่เชื่อเพราะหนอนมีความสุขว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสุขอยู่แล้วคือหนอนก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์เชวดาเปลี่ยนเป็นความสุขคือคนเราก็เหมือนหนอนทั่วไปที่ติดในบุ๊กนะเวลาคนบอกให้ไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมหรอกบอยเลิกละก็ยาเพราะชินกับความความทุกข์ที่ตัวเองได้รับไงคือไม่รู้ว่ามีความสุขที่ดียิ่งกว่ามานิดกว่าความทุกข์เนี่ยถ้า จะให้เปรียบให้ชัดเจนก็เหมือนคนปวดอุจจาระปวดปวดปัสสวาวะนี่แหละถ้าเราอยู่วัดเนี่ยเราปวดเราก็เข้าได้เลยไนงะถึงปวดไม่เต็มที่เรากเข้าก็ปวดบ่อยนะเราก็จะเฉยเฉยไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าวันใดเราออกไปข้างนอกนั่งบนรถเมล์หรืออยู่ในฐานที่ที่ไม่มีห้องน้ําแล้วเกิดปวดอุจจาระปัสสวาวะขึ้นมาเนี่ยเมื่อนั้นแหละเราจะมีปัญหาละมันจะทุกข์มากเลยแหะ ยิงขะนังบนรถเนี่ยโอ้โหมันยังไม่ถึงทสักทีเมื่อไหร่จะถึงเนาะแต่พอถึงแล้วเราได้ถ่ายอุจาระถ่ายปัสสาวะตอนนั้นเนี่ยตัวเราจะเบาเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเลยเพราะทํามาจริงแล้วความสุขไม่มีนะมันมีแต่ทุกข์ลดลงทุกข์ผ่อนคายเพราะเราต้องเปลี่ยนอิริยบถอยู่เรื่อยเลยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนั่งมากไปก็ปวดเมื่อยนอนมากไปเดี๋ยวก็พิกซ้ายพิกขวาปวดเมื่อยไงเพราะมัน อยู่ความไม่เที่ยงคือทำแลนานๆก็ปวดเมื่อยมันเราเปลี่ยนระยบปดอยู่เรื่อยตัวเราเองคือก้อนทุกข์แต่ช่วงที่เราเนี่ยทุกข์บรรเทาเราก็มีความสุขเราก็คิดเราเป็นความสุขถ้าเราอยู่คนเดียวเจะเห็นชัดเลยถ้าพิจารณาตามนะไม่เหนียอารมณ์จะเห็นว่าตัวเราเราทุกข์จะอะไรจะหลอกตัวเองไปดูหลังฟังเพลงหรือไม่ก็ไปคุกคีคุยอะไรกับคนอื่นเพื่อความสุขขหนามันก็ลืมไปเหมือนกบอารมณ์ไงเอาอารมณ์ใหม่มากรบอารมณ์เก่า คนทั่วไปก็ทำกันแบบนี้หรือว่าไม่ก็ไปหางานทำถ้าอยู่กับตัวเองอยากกว่าอยู่คนเดียวอยู่กับจอมยุทธเนี่ยยากการสวดมนต์เนี่ยจะทําให้เราเห็นความคิดง่ายกว่าอย่างอื่นอย่างตัวผู้พูดเนี่ยจะชอบสวดมนต์ก่อนนอนบทที่ชอบจริงๆเ่ยก็คือส่วนตัวนะจะชอบบทชินมันชรวันนี้สวดจริงวันไหนแล้วแต่อารมณ์บางทีก็สวดสามจบบางทีก็เก้าจบจนหลับอ่ะ แต่บางช่วงก็มีอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านคือช่วงก่อนนอนเนี่ยบางครั้งฝวามคิดมันแรงนะกำลังสวดชิบบนบัญชรอยู่เนี่ยมันหลุดไปหลุดไปเป็นภาพบ้างเป็นเป็นความคิดเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเฉยเลยเรารู้ตัวบางีครึญนิ้วไปจนหลับแล้วก็อ้ากลับมารู้สึกตัวเอาสวดชิบบนบัญชรไปสักพังหนึ่งก็ดึงมันออกมาอีกช่วงนี้ความคิดมันจะทํางานไง แล้วเราสวดชีพนชรหรือสวดมนเนี่ยมันทาให้ความคิดทำงานไม่ถนัดเราจะรู้จักมันชัดขึ้นแล้วมันก็เป็นอุบายด้วยนะอย่างบาคนมีอิสระชอบสวดมนการสวดมนก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังสรตยายหัวข้อธรรมมัดต่างๆเนี่ยมันทำาหเกิดปัญญาแต่เจ้าตัวต้องมาสวดด้วยความเต็มใจนะถ้าเรามาแบบไม่เต็มใจมาเพราะว่ากลัวจะไปสารว่า อันนี้ไม่ได้เรื่องอ่ะเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแค่ทําเพื่ออยู่ได้ท่นเองจะจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเราสวดมนต์แบบไม่เกี่ยวกับอาจารย์เทศานะเราทําด้วยใจเราเองจิตอาสาทุกชนิดเนี่ยสิ่งที่เราทําก็เป็นบุญกุศลสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาขณะที่แผ่เมตตาจิตใจเราอ่อนโยนเราเมื่อความสวขคนอื่นสุขนั้นก็วิ่งมาหาเราแล้วสวดมนต์ให้เป็นสมาธิ ก็ได้พราะถ้าเกิดขนาดนเราสวดมนต์เนี่ยบางทีเราคิดฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่เนี่ยเราก็ออกออกจากบทสวดมนต์อัโนมัติเลยยิงถคนสึกาชำนาญเนี่ยมันสามารถคิดเรื่องอื่นได้ปากมันก็สวดได้อ่ะปากมก็สวดไปเรื่อยแต่ว่าจิตมันก็คิดนู่นคิดนี่ไปแล้วเราก็ดึงมันกลับมาอยู่กับอารมณ์ที่สวดได้เอากลับมากลับมาไปแล้วแล้วบทสวดมนต์นี่ก็ซ้ำไปซ้ำมานะยิ่งถ้าเรา คิดเรืองอื่นเนี่ยบางทีสวดผิดเลยนะเดี๋ยวพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เอาซ้ําอีกพระสงฆ์แล้วไปพระธรรมีก็ได้เพราะมันซ้ําไปซ้ํามาการสวดมนตน์ก็เลยทําให้เราเห็นอารมณ์ปัจจุบันเห็นความคิดง่ายเห็นฟาฟุ้งซ่านที่จิตมันไม่ร่วมมือไงขณะที่สวดนะ่ะถ้าจิตร่วมมือก็ดีสวดแล้วราบลื่นบทพิทารปเจเวกเป็นบทที่ถ้าใครพิจารณาบ่อยๆเนี่ยความทุกข์ในชีวิตก็ลดลงบทนี้ก็คือ เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพัดภากจากของรักของชอบใจเรามีการไปของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราก็ยอมรับควาจริงของชีวิตว่าเราเนี่ยจะต้องแก่และความแก่ก็เป็นเพื่อนของความตายด้วยนะพอแก่แล้วก็ง่อมแก่ธรรมดาไม่เท่าไหร่แล้วแก่งอมเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าร่างกายมันพังหมด จะเดินเหินก็ลำบากแรงก็ไม่มีมีตังค์ไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยได้คือชีวิตคนแก่อยู่ช่วงขาลงอย่างเดียวเลยลงบทีหนาวผิดปกติเจออะไรก็ป่วยง่ายคือภูมิต้านทานของร่างกายมันหมดแล้วธาตุดินน้ำลมไฟก็อ่อนลงคือร่างกายอยู่ช่วงขาลงเนี่ยแล้วถ้าอายุเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยก็เข้าแดน ม, มาจุลาดอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะตายช่วงนี้แหละ ช่วงหกสิบป่าไปไปลายเจ็ดสิบต้นๆเนี่ยหรืออยู่ถ้ายุยยืนก็ถึงแปดสิบเก้าสิบได้แต่ก็บทดสภาพเพราะความแก่จึงถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราจะทุกข์มากเลยเพราะความแก่อยู่กับเราแล้วความตายความตายเมื่อวานอาตมาก็ไปดูเข้าวิจัยนะประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่หกสิบหกสิบหกล้านกว่าคนเนี่ยจะตายเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยถึง 4แสน9หม0 0นคนนะโอ้ถือว่าเยอะแต่ถ้าเฉลีย่ยเป็นวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะตาย 1,342 คนนี่ก็เฉลีย่ยไปเลยนะถ้าไปชั่วโมงเนี่ยตายชั่วโมงละ56คนสาเหตุการตายส่วนใหญ่ที่ตายอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเส้นเลือดในสมองแล้วก็ตามมาด้วยอุบัติเหตุการเดินทางแล้วก็จมน้ำตกน้ำแล้วก็ ลื่นตกอยู่ที่สูงลื่นล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วสาหัสอื่นอมากมายเลยเพราะความตายยังเกิดขึ้นกับเราง่ายเราต้องเตรียมตัวแต่นั่นๆนิเพื่อยอมรับเผื่อความตายมายเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะปล่อยวางได้ทันอย่างบทพัฒนกรั์เนี่ยให้เห็นว่าความเพียรไม่กี้ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ผู้มีความเพียรอยู่ วันเดียวเนี่ยดีกว่าคนมีชีวิตยอยู่ต้องร้อยปีนะบทนี้ยก็ให้กำลังใจให้คนทําความเพียรให้คนเมื่อมาในชีวิตเอาแงะดูเวลาเวลาหมดแล้วอันมาก็ท่องกรพัทธิกรัตให้ฟังอันนี้หลวงพ่อพุทธาเป็นผู้แต่งนะสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าใฝ่ายหาที่ยังไม่มาก็อย่าพึงคดึงหวังอันวานวนานผ่านพ้นไม่วนวัง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 ผู้มีเพียนเวียนไปอยู่เช่นนี้ทั้งที่พาราตีแข่งอันนั่นแหละผู้พัทเทกรัฐอันสัตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเออ